เลยพระกาสารช่วงนี้ก็เป็นช่วงของปัญญาสมาบัตนะินะเออฝึกปัญญาสมาบัติเอาปัญญาจิตเอาแบบี้นิปัญญาด้วยกันนะปัญญาเลนะ็กๆจะไปกับเขาให้ได้เย เธอต้องตัดคำว่าลังเลสงสัยไปนะอย่าให้มีวิิกติดขาในลังเลสงสัยเห็นไม่เห็นไม่ต้องสนใจเรื่องภาพเพรเรื่องภาพมันจะเป็นจะปรากฏก็จะเมื่อสมาธิของเธอพอดีไอสมาธิพอดีไม่มีใครไปบังคับได้นะนั้นอย่าไปสนใจเรื่องภาพที่จะปรากฏ เ่าจะจักว่าเราทํามังเอิญว่าภาพมันปรากฏได้แล้วก็จะจําได้ภายหลังเสรมันจําแล้วในเวลาทําใหม่มันก็จะไปขึ้นของมันได้ง่ายแต่ระยะแรกๆอ่ะมันจะปรากฏของมันเองอย่าไปคิดว่าเราจะต้องเห็นด้วยภาพมันดูหนังดูโทรทัศนอย่าไปคิดอย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องของคนของสมาธิที่เราตัะเตรไม่ได้ว่ามันสูงเกินไปมันต่ําเกินไป เล่มันพอดีที่มันเกิดภาพเข้าใจไหมนั้นตัดตามลังความกังวลใจเรื่องภาพทิ้งไปนะให้ทําจิตปล่อยให้มันสบายไม่ใช่ว่าฉันจะไปจงจมูกโยมเดินไปโน่นไปนีไ่ไปทีอย่างนั้นนะแต่เราไปพระใจของเราเนี่ยได้มีความเคารพจริงไหมพระพุทธพรธรรมพระอริยสงเป็นกำลัง ตังเถืออย่างนี้ถ้าพราะพุทธเจ้าจากรัสวรรณะมีจริงรบมีจริงพรหมลิขานมีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องเกิดเราก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ถึงเราจะยังทาไม่เห็นได้เป็นที่ประจักษ์แต่เราก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ก่อนถูกไหมถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องมาทำไม่ต้องปฏิบัติ แรื่ก่อนทําไปก่อนผลเรื่องาการปฏิบัติเราจะรู้ได้จากตนเองของเราเองว่าสิ่งที่เราทร ง, งจัด จ, จริงหรือว่าไม่จริงขอยทําไปก่อนอย่าคึก อ, อย่าเพิ่งคิดทักลังเลสงสัยคิดว่าเป็นจินตนาการตัเองหรือเปล่าคิดเอาเองหรือเปล่าให้คิดว่าพระพุทธเจ้าสละอะไรอ่ะต้องเป็นอย่างนั้นจะเปลียนแต่ว่าเรายังทําไม่ถึง เราต้องต้องทําใจเช่นเดียวกับที่พระอาหารหันต์ท่านทำใจกันมันจึงจะทําได้มนโนยุทิ์ี่เนี่ยจะปราดกฏได้ก็จะผูกคนที่เป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นจี่จะได้จริงถ้าเราจะไม่ถึงตาเป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่ต้อมาสงสัยว่าที่จะโอเคนะได้มารู้มาเนี่ยมันจะชัดเจนตามตาเป็นจริงเลยให้มันเป๊ะๆอย่างนั้นแหละอย่าเพิ่งไปคาดเอาขนาดนั้นเอาแค่ว่าเวลาที่เราทําใจเนี่ยเราทําให้คล้าย คล้ายพระ อ, อริยะทําใจให้คล้ายแต่ใช่หรือไม่ใช่ในเวลานั้นก็ไม่จ้องไปคิดีึงคิดว่าพระ อ, อริยะท่านทําใจอย่างไรเราก็ทําใจอย่างนั้นคิดตามท่านคิดเจตนาตามท่านทําความเข้าใจเหมือนอย่างที่ท่านเข้าใจใช้เวลาชัา่วขณะไม่มากหลังจากนั้นสมาธิแล้วเฉยจะทจงตัวหรือไม่จรงตัวก็ขึ้นกับบุญวัฒนบา ร, รมีของเฉยเอง แต่การปฏิบัติจะต้องทำอารมณ์ใจให้คลายนะาการที่จะไปพระนิพพานได้มันไม่ใช่ไปแล้วนึกเอานะมันต้องอารมณ์ใจของเราถึงถึงปาเป็นพระอาริยะคือถึงปาเป็นพระอรหันนั่นแหละทิงจะสามารถก้าวเท้าเข้าสู่เขตนิพพานได้ แต่อารมณ์ข้ารหานเนี่ยไม่ได้ยากเป็ไม่ใช่ของยากนะเธอเี่ยวคิดว่ายากนะมันไม่ยากมันง่ายกว่าที่เธอคิดเยอะแต่เวลาปฏิบัติเธอต้องตัดสินใจตามนั้นเข้าใจอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ตัดสินใจลงไปตามที่พระท่านตัดสินใจเลยเมื่อไดที่อารมณ์ใจเราสึกว่าเราไม่ลังเลสงสัยในผลที่เราคิดคิ ด, คดนานาเราสึกอารมณ์ใจเราโปร่งดีสบายใจ มันสบายใจแบบไม่มีความรู้สึกอยากอะไรเลยไม่มีความรู้สึกอยากแม้แต่นิดเดียวนะจึงจะใช้ได้แต่ถ้ามีความรู้สึกอยากแม้แต่นิดเดียวเธอใช้อารมณ์สึกสุขยานไม่ได้หากใช้ได้มันก็เหมือนรสมโพเวสีมันพวกขีใช้กันนะ อาเคสใช่ยอย่างผู้ที่สรงคุณงามตามดีเชิดเดชพระอริยะที่ท่านเคลื่อนจิตไปปนิี้่านได้จะต้องทำอารมณ์ให้คลายจำหลักเกณฑ์เอาไว้นะมันไม่ใช่เลกคอยตามคิดตามอย่างเขาว่าอะไรก็คอยไปนั้นโดยที่เราไม่มีอะไรเลยแต่าจะคอยตามแล้วคิดตามก็จะเมื่อเรามีพื้นฐานของอารมณ์ถึงว่ามเป็นพระอริยะ น, นเวลาปฏิบัติ จะเข้าเวลานะางั้นเวลาท่านให้สมาธิแปดเส้ น, 8, สน 8, แปดเราก็ต้องคิดว่าเรารักษาเส้นแปดไม่ใช่เส้นห้าเรากําลังสร้างจจรักษาสิ่งของพรหมจรรย์เป็นบุคคลคนเดียวที่ท่องเที่ยวไปไม่เคยมีความผูกพันกับใครในฐานะอะไรต้องคิดว่าเราเป็นผู้ที่เกิดมาคนเดียวตายคนเดียวไม่มีจิตยินดีในเรื่องการบราคะอย่างนี้เป็นต้น นั้นตัดสินใจก็คือตัดสินใจสิ่งคมประจัก็ต้องพรหมประจันจริงๆเวลาสมมตานก็ต้องตัดสินใจตามนั้นว่ารักษาแบบเนี้ยเดี๋ย้เนี้ยเวลาเขาหลวงพ่อท่านได้นําเราเนี่ยเราก็ตัดสินใจตามเลยท่านจะรักษาสิ่งแปเท่าที่เราหายใจท่านมีชีวิตอยู่ณเวลานี้ถ้าทัานตายเวลานี้ก็ถือว่าเรารักษาสิ่งสิ่งพรหมประจันเนี่ยสิ่งห้าเข้าใจไหมเริ่มต้นเราจะตัดสินใจตามนั้นเลย สมากทานก็เอาเลยว่าเรารักษาปมประจันละงั้นมาถึงถราเราเราคิดว่าเราไม่มีใจแล้วที่จะเจตนาที่จะละเมิดตาบริสุดมันก็จะเกิดขึ้นเป็นการรองรับความดีที่จะก้าวต่อไปนะนั้นในความเป็นจริงที่พระอริยะชั้นเห็นเป็อริยจัรเราก็ต้องเห็นตามนะ ทีนี้มันขึ้นอยู่กับกำลังใจของเธอแล้วว่าเธอจะตัดสินใจได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของอริยสัจที่พระ อ, อริยท่านยอมรับกันแค่นี้น่าเป็นหน้าที่ของเธอแล้วแต่จะทําตรงนี้ได้ดีเท่าไหร่สิ่งที่พระทัานาเราไปด้วยกำลังของอภิญญาสมาบัติไม่เรื่องทฤษทางใจเนี่ยที่มีปวามรู้สึกทางใจคล้ายตาพิษ มันก็จะเกิดผลมันทำให้เรามีคามรู้สึกและกเกิดภาพภานจิตถ้าส ม, มาธิของเราบังเอิญว่าเราทำมาดีแล้วมันพอดีกันภาพมันจะปรากฏให้เราได้เห็นเหมือนดูหนังดูสารคดเป็นอย่างนั้นาการละเอียดของภาพมันก็จะเกิดขึ้นกับกําลังใจที่เธอเข้าใจในอริยสัจมากน้อยแค่ไหนถ้าในความเข้าใจในอริยสัจของเธอได้อย่างมากและก็ละเอียดอ่อนเท่าไหร่ ภาพที่เจอได้เห็นก็จะเห็นสิ่งที่ปราณี่แล้วก็ละเอียดตามแต่ถ้าอริยสัจที่เจอพิจนารณาบยังยอมรับไม่ได้เท่าไหร่หมันชื่อๆภาพที่เธอจะเห็นมันจะเป็นของแข็งกระดา้างเป็นของหยบหยาในการเห็นภาพของแต่ละคนเอาว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกันเป็นไปได้เพราะกําลังใจคนกับกําลังปัญญาของคนไม่เสมอกันนะแต่สิ่งที่มีจิตใจเข้า ความรู้สึกนึกรู้รู้สึกสัมผัสได้ไอ้นั้นแหะมันมันมันมีได้มันมีได้เหมือนกันถ้าไปที่เดียวกันแล้วไม่รู้ว่าที่นั้นมันมันต่างที่แล้วก็เป็นอันว่าไม่ใช่แน่เข็มนะแต่ถ้าเราไปที่พัทจอรลามานีเจริตาชานเอาเธอไปไหนอะความรู้สึกไปไหนถ้าไมไ่ไปที่นั่นมันกแปลว่าเราเราไม่ได้ตามจิตเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปจริง มันเป็นลักที่อื่นนะปรากฏที่อื่นจะเสีย น, นสถานที่มันต้องไม่พลาดแต่ตามเห็นสถานที่ว่จะมีลูกสมนมพันอย่างไรไอเนี้ยมันใช้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้อย่บละเอียดมันไม่เหมือนกันแน่ดังนั้นเธออย่ามาเอาพฤติทัศเอาว่าคนนั้นเขาเห็นอย่างนี้เราคงไม่ใช่เรามั่งไม่จริงแล้วมั่งถ้าเธอไม่มีความมั่นคงในการปฏิบัติ ที่องค์เสด็จพระทรงสวัสตสดีโสภาพเนี่ยหรือพระพุทธเจ้าท่านจัดสอให้ถ้าเธอต้องการมีความเป็นทิพจักขุยานเธอต้องละอารมณใจอย่างนี้รักษาเป็นให้บริสุทธิ์น้นเวลาปฏิบัติตองสมาธิให้พอสมควรรำวิปัชนา ย, ยาให้แจ่มใสนะมันต้องมีหลักเกณฑ์เมื่อเราสามารถทําได้ครบคถ้วนจนหนึ่งสมาธิก็ดีดีพอสมควรกําลังใจรักษาศีลเราก็เต็ม กำลังใจในการยอมรับนับถือความเป็นธรรมดาก็เป็นนั้นสิ่งทีง่จิตสงเธอจะรับรู้ในความเป็นชิพก็ปรากฏเป็นของง่ายก็ลองทําดูนะแล้วแต่บุญวาสนาแต่ไม่ใช่ว่าทําวันนี้ไม่ได้จะจะไม่ได้ตลอดชีตมัน ม, มันไม่ใช่อย่างนั้นมันหมายถึงว่าเวลาเนี้ยบนเราให้ผลหรือ ย, อยังวาระบนเราเปิดแล้วหรือ ย, อยัง ถ้าบนมันยังไม่เปิดทํำในอธิษฐานนะตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยววลนดาวเขาตรวจพ่อท่านตรวจภูริมันจติสาราชาเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอกําลังวัลลามีพระครูบาอาจารย์บนที่เราได้ทํามาทั้งหมดขอให้ลูกได้มีโอกาสมีความเป็นทิพย์ของจิตต่อทิพย์เจะาขุยานในช่วงเวลาขณะที่ปฏิบัติตัวอยังดีอย่างนี้ก็ขอไป ขอบนบารมีทั้งหนายจงมาหลมโจา ก, กันให้เกิดผนเราจะทำในเวรท้างไหนายจงอย่ได้มาขัดมาฝังจะมดธนาความดีที่หนูได้ทําเนี่ก็ว่าไปกันำทนว่าบริมนต์ในทางลัทชาแล้วก็ตั้งใจอธิษฐ า, ขออา น, นขอพรเทวดากานทั้งหนายปกปักรักษาคุ้มครองช่วยประยงน์สิตใจของหนูได้มีสภาพหยั่งใจพูดไปพูดไปในใจพูดไปจารสมาธิหลวงพ่อสมาธิเขาลบ พระปณิรายอย่างนั้นแล้วก็ว่าร้อยใจไปตั้งใจทําเลยเสร็จมันถึงจะเกิดผลไอ้ที่ไม่ได้ไม่ได้จะมาบ่นว่าทําไม่ได้ไม่ได้มันไม่ใช่ว่าคนแนะนําเขาแนะนําไม่ได้หรือว่าวิชามันไม่ใช่แต่ว่าใจของเรามันนี้มันมีกําลังใจไม่พร้อมที่จะเกิดกิจคุยานได้นะ